ฟังธรรมเลยสมควรอย่างยิ่งที่ต้องฟังธรรมก็เราปฏิเสธไม่ ไ, ได้การฟังธรรมกิการกิการฟังเรื่องของตัวเราเนี่เรื่องของตัวเรานี่ยก็มีกายมีจิตใจให้รู้ลพบพบรู้ลบ เรื่องกายเรื่องใจจะลูกรอบก็ถือว่าจบจบก็ไม่มีอีก้ะไม่ลูกก็มีพบมีภูมิต่างๆมากมาถจะหลงก็หลงเรื่องนี้เท่านั้นที่เป็นที่เป็นไทยต่อตัวเองและคนอื่น ถ้ไม่หลงเรื่องกาย ร, ร่องใจล้วก็ถือว่านี่ประโยชน์ตัวตัวเองและคนอื่นหลงว่าตัวจริงของหลงหน้าหลงตาหลงือเสียงเลืองน้ำหลงรองหลงคิดนั่นไม่มีปัญหาใครใครก็หลงได้แต่ว่าหลงตัวเองนี่เรื่องใหญ่ ตอนไม่เกิดเจ็บเจ็บตายตอนที่จะไม่เจ็บไม่เ จ, ไ ม, เจไม่ตายซึ่งเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ก็ไม่หลงเรื่องตัวอเองแล้วสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เป็นปัญญาสิ่งที่เป็นปัญหาก็เป็นปัญญาโอกาเอาใจไว้หัวเลาะเล่นก็ได้ ถ้าไม่หลงตัวเองแล้วปากไม่หลงเรื่องการเรื่องใจแล้วก็สมาธิแน่วแน่ประมวนสงบจากอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับปากิจมาลบควนนีแต่ปัญญาบัรลุความสงบความผิความถูกมันก็เลยเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา อ้ทีจะไม่หลงเรื่องนี้มีคำบอกคำสอนจา ก, ร ก, ารกาพระพกเจ้าเดี๋ยวพระธรรมพระธรรมคือทำให้เราไม่หลงโดชใชยตัวตนแต่ว่ามีรูปมีนามจริงะมีพระธรรมเกิดขึ้นได้รูปนามปฏิกิรกยของพระธรรม ของพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระธรรมพ้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระธรรมผู้นคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมคือเห็นปฏิจาสมุปบาทเห็นปฏิจาสมุปบาทก็คือเห็นพระธรรมรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นวัตถุอาการกต่างๆ เกิดขึ้นกับลูกของนามนี่นั่นเป็นปฏิจจสมุปรบาทต่อเนื่องกันไปไม่มีใครเป็นอาลาถ้าไม่หลงถ้าหลงก็เป็นเยอะแยะสุข ก, ก็เป็นสุขทุกข์ก็เป็นทุกข์เพราะมาเกิดขึ้นที่ลูปที่นามนี้ลูกนี่นามนี้เหมือนเป็นลูกลกนามลกลูกทุกข์นามทุกข์ รูปสงมุติรูปผลิตรวัตุอาการกต่างๆก็เป็นแปตามอิทัปิปัจจิตเป็นเช่นนั่นเองวกแสงเดดก็ร้อนถึงลอองฝนก็หนาวยืนนานเดินนานนั่งนานนอนนานก็เป็นทุกข์เป็นเช่นนั่นเองไม่ได้มีอาหารกะเพาะก็เพาะก็ เป็นทุกต้องก่อนย่อยก็ต้องเป็นระเบียบของเขามีสมควรเล็บนหนังเนื้ อ, อกระดูกเยอะในกระดูกมาหมหัใจตับไตปอดใส้ใหญ่ใช้น้อยอาหานใหม่อาหานเก่าลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กมันก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาเป็นอิทัพัปัจจตาเกีย่ยวข้องกันทั้งนั้น แต่ถ้าไม่รู้ก็ไปกายเช่นพระเจ้าสอนว่าเห็นกายสภาวะกายไวิชาสัตว์บุคคลตัวตนโลขามีสติมีความเพียรเครื่องเผาจิต劣มีสัมปชัญญะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโกูกมารซาความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นปลดของโลก ว่ารของโลกทับถมก็เป็นทุกข์เป็นโทษปวด เ, เจ็บเจ็บใจหลงถอนอลงมาส้าทุกข์ถ่อมมาส้าสุขถอนมาสาสงบถนอมมาส้ารู้หรือไม่รู้ผ่องซ่านอะไรต่างๆถอนออกมาอยาเอามาเป็นปัญหา เมื่อเราศึวจสอเรื่องนี้แล้วก็แย่งแย่งควา ม, มง่วงหงหอนอนมันหลักไม่อยากให้เรารู้ปฏิเสธมันดือ้อพ่ามันเคยดือ้อลูปนี่นามนี่มันเคยดือ้อมันจะคิดอะไรก็ได้นามรูปมันจะเป็นอะไรก็ได้ ม่ามันต้องการอะไรก็ให้มันหมดมันเรียกร้องเมื่อมันได้ตามความเรียกร้องก็ดื้อเป็นนิสัยของลูกเป็นนิสัยของน้ำายหรือ ว, ว่าจริลดนิดสัยนิสัยของลูกของน้ำมีแย ะ, และหลายข้าจริลดโทษ า, าจริลีดโมหะจะหลีแต่และจดีก็ไปไกลฉงผลไปกล เาจึงเห็นถ อ, อนลมาสถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสื่อได้ไปถึง จ, จิต ใ, ใ, ใจถือว่าสําเร็จแล้วก็มีความพอใจความไม่พอใจทือว่าเขาใชา้รูปเพศนามสำเร็จแล้วเป็นเรื่องของเขาแล้วไม่ใช่ออเรื่องของพระธรรมแล้วเราเห็นเห็นกันอยู่ บางทีบง ม, ม่วงก็ถือว่ายากเอากวม่วงเป็นเรื่องยากเอาควม่วงเป็นปัญหาแต่ที่จะเอามาเป็นบยยัญญาลู่เห็นพพเห็นใ็เๆก็มีผู้เขาลูกแรกที่ขวงกันไม่บรรลุกุลามความดีพุทธเจ้าก็ผ่านทางนี้ไปทางเดียวกันนี้ เดินทางเดียวกันนี้ไปที่เดียวกันนี่เป็นที่จุดหมายปลายทางที่เดียวกันเดินคนเดียวง่วงเองก็ต้องลูกเองไม่มีใครแย่ได้ถ้ามาแจ้ให้เป็นกลวงลูกของง่วงก็ลุ่มหงอยในกายในจิตใจหวงกั้นไว้ทํากรรมดีได้ยากอาจไปกลุ่มเกลียดกันเป็นอาเมทิสตัวใหญ่ เมื่อมีความเกิียดข้านก็ไปกายเกิดขโมยเกิดชววนเกิดเบียดเบียนคนอื่นอยากได้เงินก็ป้นเอาขี้เอาอยอกเกิดกวามก็ขงขืนไม่รับผิดชอบมองมันเกิียดคอนบริโภคกวามสัโลูก ร, รื่องเอาเจตนตหนานะ ต้องเกิดตัวบทคนหมายกันมาอย่าหลงความง่วงมาให้เราวิปัญญาให้เราเกิดความรู้ความคิดพุ่งซ่านเพราะอย่าหลงก็่ให้เรามีปัญญามันเป็นอย่างนั้นมันดือ้อเหมือนลูกดือ้อลูกดือ้อไม่เชื่อฟังบอกอะไรไม่เชื่อชัวลูกดือ้อ ลูกด้านคือมันง่วงดื้อมันด้านแม่มันไม่ดื้อมันก็ไม่ไม่เชื่อฟังเรว่ามันด้านจะแล้วดื้อจังหอสอนได้แต่ถ้าด้านและสอนยากหัวดื้อศิษย์อวดื้อเหมือนมาเหมือนวัวเหมือนควาย มือนหัวเทียมเกวียนหัวดือ้อยกมบเหลียวขึ้นมันก็ไม่ไปู้ว่าเจ้าของต้องการให้เดินไปให้ม่เหลียวถูกหลังก็ยังไม่ไปถ้าไม่เห็นเลือดออกจึงจะไปหรือบางตัวไม่เลือดออกก็ไม่ไปนอนอยู่ตรงนั้นโูตายด้านมันด้าน จนควง่วงควง่วงเกิดขึ้นมาก็อ่อนไปเลยหลับตาหาว่าป่าหาที่นอนไม่อายตัวเองกลางวันแท้ๆเวลาทํ า, าทงานเป็นนอนซะเวลานอนก็ไม่คิดกลางวันเป็นเห็นกลางเวนเป็นปนุกงเขา้าโบราณท่านว่ามันดือ้อเป็ดือ้อเปนึกเกียดค้านกลาเป็นความเกียจค้าน ความเกิดกานหาทรัพยยากเติลอยไม่สาเร็จว่าให้เราเห็นตัวเองอยู่นี่นิวรณธรรมแต่ไม่เกิดปัญญาความคิดรุ่งช่อนความดังเละสงสยัยความพยาบาทกรรมลาคา้คาเกิดขึ้นได้เพราะมันเคยชินเอาเอาความ เด็ดขาดมาต่อสู้กับความเป็นธรรมเพราะมันใช่มานานแล้วเราใช้กายใช้ใจมานานแล้วที่ใช่ไม่ถูกต้องก็อย่าหวั่นไหวถอนออกมาไม่แต่มันคิดก็ถอนออกม า, าใส่ความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์อย่าให้ความคิดเป็นใหญ่ ไปตามความคิดแห็นสุขก็คือความคิดเป็นทุกข์คือความคิดนี่จิติถอนลงมาความจิตสักว่าจิตได้ใช้สัตว์บุคคลตัวตนโลเขาอเอากอนที่เกิดขึ้นกับปากก็เกิดกร้ว่าทมไม่เยอะแยะตอมทั้งหลายอย่าไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนให้รู้จึกตัว บางที่มันสะงบที่ติดความทุกข์บางทีมันสุข ก, ก็ติดความสุขบางทีก็เสื่อมความไม่เที่ยงก็เอาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือว่าติดแล้วให้ความไม่เที่ยงแปเป็นทุกข์ให้ความทุกข์แปเป็นทุกข์อนออกมามารู้จึกตัวหัดอย่างนี้ตน้นสอนตนอย่างนี้ไม่มีใคร เห็นตัวเราเท่ากับตัวเราแล้วบทเรียนเยอะแยะถ้ามีสติถ้าไม่มีสติก็หลงเยอะแยะเหมือ น, นกันขยันหลงกรรมฐ า, านนี่คือขยันรู้โดยเพราะกรรมฐ า, านสมบัติเจ้าบัพพานี่ขยันรู้ อาศัยกายอาศัยใจเป็นที่ตั้งของความรู้จึกตัวหัวเจ้าสอนล่านี้มีวระไตรปิฎกตั้งไว้ที่วัดป่าจุกโตใหญ่ที่สุดในโลกไปอ่านดูก็ได้ง่ายๆ่ายไม่ต้องคุค้นหนาเล่มไหนแล้วจะฝึกตนสอนตนไปดูพระไตรปิฎกเล่มเดียวที่นั่นมีศิตอาศัยกายอาัยใจเป็นที่ตั้งของความรู้จึกตัว มีสมิญญามีสติอะไรเกิดขึ้นตากับใจก็มีสติได้ได้ทั้งนานเป็นสาคนหมาะที่สุดตอนไม่หัดก็มาชำนาญเรื่องนี้อาจจะชำนานเร้องอื่นจะเรื่องความคิดเึื่องถ่วงสุดความุก้อนับ ต่อเห็นลูกพอใจไม่พอใจมันไปทานนานหูเดียงเสียงก็พอใจไม่พอใจมันไปทานนานจมูกได้กลิ่นดิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกมันก็ไปทาง น, านั่นมันเคยเหมือนกับน้ำไหลที่สูงสู่ที่ต่ำกระทางตอมก็ไม่มีประโยชน์เหมือนแม่นม้ำทุกสายไหลสู่ทะเล กลาเป็นน้ำเข้มเแล้วยจะอาบก็ไม่ได้จะดินก็ไม่ได้ชีวิตของเรากป็เช่นเดียวกันคำามดีไต้ยากทั้งช่วยเอง่ะหลังชีวิตยอย่าลืมช้าอย่าลืมตัวเองแม้จะในอริบทตรใดจะน่าแบบใดเวลาใดก็ให้หัดรู้จักตัวเรือโอกาสจะหาโอกาส เป็นนักเคยโอกาสเจ็บตกช่องโหว่ช่องว่างจุดโดนที่อยู่ ท, ที่ที่ตัวเราเคยกินให้แก้ไขให้รู้สึกตัวจะเป็นนิสยัยเป็นปัจจัยถ้าปล่อยทิ้งแล้วก็เป็นนิสยัยปัจจัยทางไม่ดีอย่าทิ้งเวิมทุกข์ไว้ในกายในจิต อย่าทิ้งความฉุกปรในการในจิตอย่าทิ่งความโกรธโลภหลงมาในกายในจิตเมื่อทิ้งจิรนิวามันก็จะเป็นใหญ่ซะตำตามมันก็เดือดร้อนเตินแลน้วก่อน่นเป็นปัญหาคือเราเหมาะในการณีไม่ใช่เหมาะเรื่องอื่นเห็นเห็นตัวเองเป็นเช่นนี้แน่นอน เกินความปวดไม่ใช่มันไม่จริงความไม่ปวดมันจริงกว่าน่าจะเป็นความจริงชีวิตน่าจะได้พบความจริงความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงกว่าน่าจะได้รับผลความจริงร่างควงจริงควงมชอบทําให้เกิดขึ้นกับปตากับใจกับลูปกับนามหนูดจะดีกว่มเป็นธราม ถ้าเราไม่มีความเป็นธรรมจะหคาความเป็นธรรมก็จะยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมจากคนอื่นมันเป็นไปไม่ได้เราต้องครองตัวเราปกครองตัวเราถ้าปกครองตัวเราได้ปกครองคนอื่นก็ได้ปกครองงานก็ได้ปกครองศาสนาก็ได้ถ้ามันมีความเป็นธรรมเก่ตัวเราแล้วปกครองตัวเองไม่ได้ปกครองคนอื่นก็ไม่ได้ ก็กลายเป็นปัญหาไปปัญหาคุณเองเป็นปัญหาของเราทุกข์ของเขาัมาเป็นทุกข์ของเราชั่วของเขาัมาเป็นชั่วของเราเราคนมีสติปัญญาชั่วของเขาัมาเป็นยาของเรามองแบบปวดโกมองแบบปฏิบัติปฏิบัติอนุรักษ์พัฒนา อยู่เสมอชอบเปลี่ยนแปลงให้เกิดความดีเสมอถ้าเปลี่ยนแปลงนักสร้างสอนจิตสร้างสอนจิตเปลี่ยนแปลงให้เกิดความดีเสมออะไรก็ค่อยดีไปด้วยสังคมก็ดีระเบียบไว้ไหนก็ดีสิ่งเวดล้อมก็ดีสุขภาพก็จะดีไปด้วย แดดมักหมมโจมอยู่ปัดกับความไม่ดีที่แหนแข้งใจตัวเองไม่มีไม่มีกระเสือไม่มีนิสถึงความดีเป็นเออที่อาศัยไปถึงเขาเอาพบลงมาถึงเขาเจ็บถึงเขาเจอถึงเขาตายไม่มีที่อาศัยไม่มีหลักด้วยความบกพรองความไม่ดีลุมเขาพอ ไปทุก่มถุกลงไปในเขานั้นหล่อย่อนมันจะตามทันว่าผลตามทันกรรมตามทันอุกกรกรรมกรรมบีบคันกรรมตามทันแน่นอนที่สุดจึงไปไปตามกรรมไม่น่าจะประมาท เราริ่มต้นให้เป็นวัสมะฮ์แม่น้อยนิดก็อย่าไปอย่าไปคิดอย่าไปทําอย่าไปพูดอย่าไปเอามาเป็นเรื่องของผ ม, ผมเคยชินผมไม่ประมาทแม่น้อยนิดก็อยับประมาทในสิ่งที่ดีให้ทําใหำไปก็จะได้ เป็นความดีมากขึ้นในน้ามลตกอยู่ทีประโยชน์เอาพาช้าหลองก็ จ, จะเต็มตุ่มก็เป็นความดีถ้าเป็นความไม่ดีก็อาจจะเต็มเหมือนกันเพิ่มความดีเข้าปอยหัดเพิ่มความดีในโลกนี้เหมาะจะการเพิ่มความดีในกายในใจแล้วนี้ก็มีความดี ความถูกต้องเห็นตัวเองไม่ลี้รับเป็นความคิดแต่ตัวเองไม่มหใครเห็นกับเราการคิดไม่ดีคิดหน้าคิดเอาการคิดดีไม่อยากจะคิดฝันติดบางทีถ้าเราไม่หัดนะเปนความโกรธเพคิดดีไม่ค่อยจะลืมกัน ความดีก็มีจะไม่คิดเติณโกรธคนอื่นมองเห็นแต่ความไม่ดีของเขาวความดีของเขาความเยอะแย ะ, ยะน่าจะคิดถึงบ้างบางทีตัวเองก็เหมือนกันถ้าอะไรไม่ดีนิดหน่อยก็ที่อกทุกต่อตัวเองถึงกับฆ่าตัวตายความดีของเราที่ทำมาก็เยอะแย ะ, ยะ เราจึงไม่น่าจะจนเสียดายจอได้ความดีมันก็อยู่ในความไม่ดีในเท่าเดียวกันน่าจะเปลี่ยนน่าจะรู้จักเปลี่ยนได้เป็นดีโดยอาจจะได้บทเรียนที่ประสบการณ์การใช้ชีวิตประจาําวันมีบทเรียนมีประสบการณ์เยอะแยะยิ่งนาเป็น นักบวดอยู่วัดวาอารามโอกาสเต็มที่โภคุณได้เต็มที่ในเวลาเต็มที่เหมาะทุกเวลาเหมือนสมัยหนึ่งพระเถรลาเดินตามไปกับพระเจ้าไปเห็นป่าสงสาร สั่งจะล้าสุดพอไปถึงตากระมู่งหมูหม่ใหญ่พระเจ้าเป็นประธานก็พักแรมที่นั้นเ ม, น, มยยน้าใสไหลเย็นมีเสียงนกป่าไมา้ชุ่มชื้นเยอะเกินเป็นมิรทั้งหมดบรรยากาศเงียบสงบท้ะสงทนังหล่อยที่เป็นพระเถระก็สันเสรินป่า ส่อเฉินป่าจดบทึท่งใจเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ป่าโนนพูดกันว่าป่านี้เหมาะสำหรับป่าหมูสูตรผู้มีการศึกษามากอาอยู่ที่นี่เหมาะเจอเข้าหมูสูตรจนพระสาลีวด ผู้ขึ้นแจ้งว่าป่านี้เหมาะใจผู้มีจิตปัญญาอันสูงสุดผู้โมคลาแจ้งขึ้นว่าเหมาะป่านี้เหมาะใจผู้มีลิธิปฏิหารเจงพระนุทะพูดขึ้นพระวารีพูดขึ้นพระนันทะพูดขึ้นพระสงฆ์พระลหันทั้งหลายพูดขึ้น พระเจ้าเดินมามาพวกพวกโชจูต้องหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเขาโฉนหลายก็ตอบว่ากราบทูลว่าตอนนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้ฟานนก็พูดว่าป่านี้ดีสําหรับพระหูโชจูพระสารีบุตรก็พูดว่าป่านี้ดีสําหรับผู้มีสีปัญญาเลิศเอตตะกาในทางนี้ เราบอกไปด้านพูดถึงนั้งคนนี้คนนี้ะเจากกันดูก่อนวิสูตรทั้งหลายป่านี่จะดีก็คือวิสูดทั้งหลายเมื่อฉันพิถบาแล้วมืออุ้มบาทมาที่พระของตนล่างบาทเอาบาทวางไว้นั่ง ตั้งตัวให้ตรงมีสติหายใจเข้าหายใจออกมีคู่เขียนเข้าคู่เขียนออกฝ่าดีๆสำหรับอย่างนี้พอจงทั้งหลายก็สาธุพร้อมกันก็แยกแย้ายกันไปนั่งสมาธิตามรุ่มง่า้ใ้คาต่างๆ ตามที่อยู่ของตนที่เหมาะสมปักเปิดปกกดอังสมุงติกู้เขียนเข้าคือเขนโดกดีอันเนี้ยเราอยู่ที่กันนั่งคู่เขนเข้าคู่เขนโดกหอ้อยใจเข้าห้อยใจออกอยู่โอกาสไม่ได้ทำไร่ทำนาไม่ามาได้ค่าขายไม่ได้มีรับจ้างอะไรที่ไหนชาวบ้านเขาเรีนอาสา ชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเพื่อการนี้จะมีงานบ้างก็เป็นอาติเลกไมาใช่งานหลักงานหลักของเราคือกรรมฐานคือศึกษาเรื่องนี้ใช้ไปกับงานการงานคือการประพฤติ ธ, ธรรมครอบกันไปหลายสํมไม่ค่ายิ่งเหมือนกระดาดยิงนกเดียววิ่งเจ็บพุก หลายคุกงอยอาจารยพุทาธิวาารงานการปฏิบัติธรรมใบหัวละคว่ำร้อนคว่ำงอวยควม่มหลายคว่ำอาต่างตานทุกขเกิดขึ้นเอารูปอนามไวบ้บหน้าหัวลาอเอาใจอย่างยิ่งรูปนี้นามนี้อย่ า, อามาเป็นทุกข์เป็นทุกข์ หัวโล่ในใจคนเดียวเสนาคนเดียวหัวโล่คนเดียวไม่มีเสียงแต่มันดังก like ้องโลกตอนหัวโล่ตัวเองเนี่ยเวลามันฉุกหัวโลความฉุกเวลามันทุกหัวลความทุกเวลามันหลงหัวโล่ความหลงเวลามันเจ็บหัวโล่ความเจ็บเวลามันแก่หัวโล่ความแก่เวลามันตายหัวโล่ความตายมันจะยิ่งใหญ่เป็นผู้ชนะโลก คือชนะตัวเองชนะอันประเสริฐอันเริ่มต้นต้้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวอายุเนื้อแข็งแรงมากจะร อ, อ, ใ, หอให้เ้าหายเจ็บมันจะฝึกอะไรไม่ได้มันหนาฝึกหนากระดานตีกไม่ตีกมันอะไรใช่มาเยอะ จิตเดิมเท่หาไม่พบเหมือนพระเจ้าตรัสตรามูฉงว่ากองศึกต้องพลาชาเมื่อนานไปก็เอานั่นมาเปะอันนี้มาเปะมันผูกอันนี้เอานั่นมาเปะอีกกองตัวเดิมหายไปมีแต่ไม่เห็นหมยมาเปะเพราะทำมันที่แท้ก็เหมือนเช่นกัน ชีวิตของเราเป็นธรรมทาแต่เดิมมาดีๆกายบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์มาดีๆมาปะดนเข้ามาปะอันนี้เข้าปะความโลภควางโกรธความหลงปะกิเติทั้งหาวละคะปะความรักของมชงังปะความเข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมไปทางนี้มากห่อย เอาไว้ตอนลับความพอใจเอาไว้ตอนลับผมไม่พอใจเอาไว้ตอนลับของมสุขควมทุกไว้ ข, ของโกรธโลภหลงมันก็เลยผิดไปจาแต่ที่จะไว้ในความรู้สตูเห็นมีสติปัญญาได้สติได้ปัญญาจากผู้จากนามนี่ถ้าเราเชืนะ่อไหะ แล้วก็เป็นิสเป็นเพื่อนกันไม่เปี่ยวเดียวดายพึ่งนฟ้าใสกันขลุกอลกอนมีระเบียบวินัยอยู่ด้วยกันถ้ามีระเบียบนิดไหนดีก็ไปกันได้ง่ายต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองมารับผิดชอบเองเข่ากับรับผิดชอบคนอื่น เกืนวัตถุอื่นวินยยะวิคือวิเชตไยยะนำไปสู่ความวิเศษตั้งแต่เป็นบุญกุศลถึงมรรคผลนิพพานวิไยยะนำพาไปแล้วไม่มีวิไย น, นำพาเขาก็พูนวายสับสนวนไปกันไปกาก็ไม่มีลักเบียบใจก็ไม่มีลักเบียบ ว, าาว่าจอากอดว่าจอดใจเหียบร้อยอย่างเช่นว่าศินคือสติตัวนี้แหละปล่อยเกิดศินเช่นมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นหลงพ้นจ้ากควมหลงเนี่ยแหละศินไปแบบนี้มันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นทุกข์พ้นจากควทุกข์นี่แหละินนี่ยศิน น, น, นี่สมาธินี่ปัญญาได้สินแบบท่องจำสินลับจ้างสินสมาทาน อ้าวตอนนี้ก็พอนะเหลือใช้จะนํำไปปฏิบัติแล้วงพ่อฟังพ่อเทียนพูดจนได้ยินทุกวันนี้นํามาใช้ทุกวันนี้สำเร็จได้ทุกวันนี้อาจารยพูดแล้วนะอย่าเข้าไปในความคิดหลวงพ่อเทียนบอกเห็นความคิดอย่าเข้าไปในความคิด ผู้ใดเกิดมาไม่เคยเห็นความคิดตัวเองไม่มีประโยชน์ไม่รู้จักเราไมาคิดอะไรไม่ทักท้วงอยากเข้าไปในความคิดจนให้ความคิดป่าเป็นจุกเป็นทุกข์ได้หลักนี้นำไปฝึกตนสอนตนได้ผลจริงๆหลวงพ่อเทียนสอนเรื่องอย่างนี้พระเจ้าก็สอนอย่างนี้ เห็นกายจววกาไม่ใช่สัตว์ปุกนตัวตนของเขาเห็นจิตจววจิตเห็นทวาเห็นสุขเห็นทุกข์จวสุขววทุกข์เนี่ยมันก็ง่ายน่าจะจบหวังเทศกันเดียวน่าจะจบนำไปใช้ตลอดไปเราพูดฝาดเถรวาทนี่มักจะล่มเหลวหายานเขาว่า หือว่าล่มเหลวการรักษาสินล่มเหลวสมางถีนมากเกินไปจะแปลงว่าล่มเหลวเกิดเราเลิกถี่อะไรก็เลิกถี่นี่แบบล่มเหลวมหายานเข้ารับลิกล่มเหลวแบบนี้ก็เลิกปละครั้งหรือว่ามหาถี่เคยไปอยู่กับมหายานที่ดุยบวันมหาถินเขาเนี่ยเขาจะมารวมกัน แสดงออกหลายอย่าเราก็ร่วมกับของสองคนพอใจกับอาจารย์รูปดายที่ ซ, ซึ้งกับของสอนก็ออกไปให้อาจารย์รูงนั่นเอาทูกจุดหัวเอาทูบแดงๆจุดจีลงไปบนหัวขี้ลงไปเอาไหมหัวเป็นเผาจุดนะลาไปเจกันเข้า นี่อาจารย์รูปหนึ่งนี่อาจารย์รูปหนึ่งนี่อาจารย์รูปหนึ่งหรอยสูกนี่อาจารย์หลาเดีกวก่าหลอยตัวน้ย่อนนะมคจอเวลาสถ า, าบันการน